นี่กูลืมเคสสาคัญจะไปยังไม่ถึงที่สุดหายไปเลยหาหนังม้วนนั้นเอามาต่อใหม่นะต่อติดเพราะนั้นเราเพิ่งรู้จากหมอไทยในเก่งกว่าหมอฝรั่งเนาะเก่งกว่าหมอฝรั่งเพราะนั้นเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเอามาถึงไม่ไม่ไมยอมเจ็บ ป, ป่วยในเมืองอเมริกาไงเพราะว่าหมอฝรั่งในสู้หมอไทยไม่ได้เป็นอะไรแล้วกลับเมืองไทยก่อนอแล้วก็หมอไทยที่เก่งกว่าหมอไทยอีก คือหมอเทวดาเพราะอะไรพ่อะมารักษาภูมิแพ้แกตอมลูกหมากมากับหมอบ้านเรามานานนะมันไม่เวิร์กแต่ล่าสุดมาเจอหมอเทวดาหายทั้งสองโรคเลยนะต่อมลูกหมากก็หายภูมิแพ้ก็หายาเออเพราะฉะนั้นเวลาเจริญสติไปเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรวิกฤตเนี่ยมันมีสิ่งช่วยเอามาเองเนี่ยรอดตายมาสามครั้ง mm hmm. ที่เห็น น, ะนี่ส่ของสตินี่นะมันก็เลยพอเห็นนิสัยที่ จะรู้อะไรไม่รู้อะไรฉันยกลูกเดียวก็แล้วกันใครจะบ้าว่าครั้งก็ก็ยอมเพราะรอดเพ่อมันน่ะรอดพ่อเจริญสตินี่เราไปทําอะไรมันก็มีความสูงแต่กสิ่นั้นเพราะฉะนั้นโยมสุภพรถูกอ้างบ่อยนี่เห็นท่าจะได้ อ, อ้างอิงก็เรื่องภาษาสภาเถูกพลาดฟิงอยู่นะต้องออกมาแก้เสียดีโยมสุภพรถูกาพาดฟิงหลายครัง้งก็เชิญข้างหน้าเลยพ่อว่าไปทําไง คือเรื่องหม้อเขียวก็ดีเรื่องนี้า ม, าามาเอามาอเมริกาจะมีพวกยมสุมพรนเนี่ยเขาสืบทอดมาจนกระทั่งมาที่นี่ามาเอามาครั้งแรก ห, หม้อเขียวที่มอลตส เ, เวเกตนะมาทีเอลอมาที่อะไรที่ดีๆเนี่ยม า, ามาก่อนแล้วมาทําก่อนก็นเลยกันอะไรที่เขาว่าดีทําก่อนถ้าก็ได้ผลเนี่ยมาก็จะมาบอกคนอื่นถ้าไม่ได้ผลก็เงียบไปนะเพราะนั้นก็อยากจะให้คนเนี่ยตั้งใจเข้าวัดเข้าวาก็ให้อยากจะให้ได้บุญมากกว่า น, นี้คือไปภาวนา ถ้าบุญกินทานมามันไม่พอใช้หรอกนะเดี๋ยวถ้าหมดบุญก็ไปหมดแต่ถ้าได้กุศลมามันไม่หมดกินไปตลอดจนพาไปถึงนิพพานได้ด้วยนะขเขาเียนวลขอากาบ น, นมัสการหลวงพ่อพระมหาดิเลศพุทธยา น, นันโทจ้ะแล้วก็กาบ น, นมัสการท่านอาจารย์ช ย, ยันธรรมแลวขอ กล่าวคำว่าสบายดีเนาะขน่อยคนเลาวเฮียงจันได้เนี่ยจพูดภาษาไทยาพิษพาดก็ขออะคอไพเด้าค่ะสบายดียดอุย้ยมีเพื่อนอยู่แล้วผู้หนึ่งยังนิหน่อยก็มีเพื่อนผูน้นึงเนาะได้คอมเดียวบอกสบายดีสบายดีอ่าสบายดีจะพูดเรื่องการรักษาสุขภาพสะนะเพราะว่าแม่สมพรนี่เป็น เป็นตั้งหลายโลก mm hmm. <laughs> จนไม่จนไม่อยากเป็นก็เลยเอามันออกไปหมดละก็ <laughs> กลับมาเจริญสตินี่แหละมีสติขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เลยมันผ่าตัดกิเลสเราได้ตัวรู้สึกตัวตัวนี้ที่อยากขยันขยอให้พี่น้องเหล่านี้นะทาดีใจปพื่มใจเหมือนลูกมนลูกอุ้มและลูกเล็กว่าเออเห็นรถเยอะเห็นคนเยอะมันเกิดปิติยินดีเนี่ยนะ ไปจัดคอสที่นู้นไม่เยอะขนาดนี้เนาะ mm hmm. ที่วัดนั้นอ่าโอ้วัดป่าซิกาโกนี้เ mm hmm. ยี่มมาก mm hmm. เป็นแบบอย่างที่ดีมากอีก mm hmm. ก็ขออนุโมทนาแต่อย่างน้อยได้มาแล้วนะก็เป็นที่มิตหมายที่ดีที่จะได้เจอหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อพระมหาดิเรนี่เจอตัวยาก mm hmm. ยากถ้าไปเมืองไทยเพราะว่าท่านขึ้นแต่เขาเอาพระ mm hmm. เก็บอารมณ์บ้างลงมาข้างล่าง เอายมเก็บอารมณ์ปุกแต่ยมขึ้นมาปฏิบัติให้ตื่นรู้ตื่นรู้ท่านจะบีซี่อย่างนี้แหละแต่ก็ด้วยบุญที่แม่สมพรได้ติดตามท่านมายกมือแค่สามวันเองนะเนี่ยตื่นรู้สามวันเข้าใจตัวเองพูดว่าตัวเองนี่มันจะมันจะไม่ชัดเนาะพูดว่าเข้าใจรูปนามเหมือนอาจารย์ น ำ, นำพลลหรอนำพลพูดท่านว่ามีสติระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเข้าใจรูปนามเข้าใจรูปทำนามทำในสูตรของหลวงพ่อเทียนก็คือรู้การกระทําของเราเนี่ยยกขึ้นก็รู้เอาลงก็รู้ตัวรู้ตัวนี้จะถึกพัฒนาจากความรู้เดเดิมที่เรามีนี้มันจะเข้ามาเป็นตัวรู้ที่เป็นเหมือนรู้พร้อมหรือจะเรียกว่าสติสัมปสัญญาก็ได้ ตัวนีถึกพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นรู้พร้อมแล้วเขาจะแก้ไขได้ทุกอย่างเหมือนลูกมมที่พูดไปเมื่อกีน้นี้หรืออุ้มพูดมาเขาจะเป็นเป็นตัวที่จะเรียกว่าเออกรหลายคนก็บอกว่าตัวพระพุทธเจ้าก็ได้ตัวคุณพ่อคุณแม่อ่ะคุณแม่ซะไม่สมพรจะบอกคุณแม่ที่มีความรับผิดชอบดีที่สุดจะรักษาลูก ทุกอย่างไม่ให้ตกบ้านไม่ให้ตกรถหรือไปจับอะไรที่มันจะอนะันตรายนี่ยนะเขาจะรักษาอย่างนั้นแหละตัวสติตัวนี้หรือจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆคือรถ ด, ดีๆที่มันมีเบรกดีๆอเวลาเราต้องการเหยียบเบรกมัน ก, ก็เข้าไปเลยใช่ไหมมันจะไปเอาคนนี้ละมันเห็นปุ๊บแล้วมันก็จะเบรกปุ๊บ จะเป็นทุกข์เป็นโทษมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ต้องพัฒนาตัวนี้ให้เขาเป็นจริงๆนะให้เขารู้ขึ้นมาจริงๆตัวรู้นี้ต้องรู้พร้อมจริงๆถ้ารู้พร้อมแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่ามันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คือเมื่อก่อนนี้โลกหลายโลกถ้าไม่มีตัวตัวรู้ตัวนี้ก็คงจะตายไปนานละเพราะว่าโรคแอสมาที่บ้านเราเรียกหอบผืดเนาะ ใช้ยานี่ทุกๆสีส่ชั่วโมงต้องสีดยาต้องผล mm hmm. บางครั้งไม่มีแรงเลยไม่มีแรงที่จะพูดโอ้ม่ก่อนนี่พูดไม่ได้เลยนะเนี่ยอยู่ไกลกันมากเลยไกนี้มันดูดแล้วมันจะเหนื่อยเนื่อยพูดไม่ได้ <c oughs> ก็สีดยาสีส่ชั่วโมงเพื่อไปเปิดท่อ <c oughs> บางครั้งไม่มีแรงที่จะสูบลมเข้าไปหมอเขาต้องให้อ้ที่มันปับไฟฟ้าเนาะมันผลเข้ามา mm hmm. ใครเป็นหมอคงจะรู้เนี่ยคุณพิตา <c oughs> เออ <ไป S 1> ต้องมาเปิดเปิดแล้วก็ต้องสีดยาตอนเช้าตู่ก็ต้องสีดแอสแวร์ให้มันไปเปิดไอ้ไม่รู้อะท่ออะไรเขาละเขาก็บอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่เปิดตัวนี้ไม่ได้ไยานี่แรงแรงสีดแต่ละครั้งนี่จะต้องได้ไปแปรงฟันล้างปากถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเปื่อยหมดละทั้งปากนี่นมีความความทรมานของของเรื่องเป็นโรคแอสมาแล้วก็เป็นระดับที่ว่า ใกล้ตายกลางคืนนี่เขาบอกต้องใส่ออกซิเจนถ้าไม่ใส่ออกซิเจนนี่ปอดมันจะยุบไปแล้วมันอาจจะตายกลางคืนก็ได้อ่าแต่ถ้าไม่มีตัวรู้ตัวนี้ตายแน่แต่ด้วยความเข้าใจลูปนามหรือว่าเข้าใจตัวเองนี้มันช่วยได้เหมือนลูกมนพูดจริงๆไปปฏิบัติหลายครั้งมันพยายามอยา คือคือเราแยกกายแยกใจได้ละเราไม่รู้เราไม่สนแล้วว่ามันจะตายวันตายพุ่งก็ช่างขอให้ฉันได้ทําไม่ต้องเอายาไปไปที่นั่นมันมันจะหมดลมหายใจจริงๆก็จะตายจริงๆหลวงพ่อให้เอากลับบ้านไปก่อนต้องใส่ยาไว้ก่อนบางโรคมันก็ต้องได้รักษายาแต่ความเข้มแข็งของจิตใจนี่โอ้โหมหัศจรรย์เลยความความที่มีตัวรู้ตัวนี้นะหลังจากนั้นแล้วก็อืมก็ศึกษาหลายอย่าง หลวงพ่อไปเข้าคอสไปเมืองไทยสี่เดือนไปเก็บอารมณ์ที่นูน่นไปปฏิบัติกับลูกศิษย์ของท่านในหลวงตาเนี่ยโรคกระเพาะ อ, อีกโรคกระเพาะเป็นรูสี่รูก่อนที่จะไปเมืองไทยครั้งนั้นหลวงตาหลวงพ่อไปให้หลวงตาก็ได้เก็บอารมณ์กับท่านท่านสันมือเดียวโรคกระเพาะกับโรคหืดอุยโหมันมันตายแน่นะสันเข้าวันวั น, ว, นวันละมื้อนะ่ะ น้ำก็ไม่สะอาดท่านก็เข็งเข็งลูกศิษย์หลวงพ่อองค์นี้เน่ะโอ้โหหกสิบท่านไม่รับแล้วไม่รับให้เข้าไปในเทคนิคที่ที่ในศูนของท่านที่ปฏิบัติท่านไม่เอาท่านบอกว่าเรื่องมากห <laughs> <laughs> ยุกยาอะไรก็แครีนี้ท่านไม่เอาแหละเออท่าน ถ้าคนไหนได้ได้ฟังสีดีท่านแล้วจะได้รู้ว่าท่านคืออย่างไงท่านเข้มเข้มเข้มกว่าหลวงพ่อนี่นั่งยกมือนี่ดูเลยคนไหนหลับตาท่านตะโกนด่าเลยแหละอก็บอกว่าหกสิบปีท่านไม่รับอันนี้ก็เรื่องจริงเพราะว่ามันท่านท่าทายเลยนะท่าทายว่าเจ็ดวันนี้ไม่เห็นผลนี้ท่านจะทําแบบสุดหลวงพุทเทียนเลยนะท่านกล้ากำลังตีว่าถ้าไม่เห็นผลหรือไม่รู้อะไร ท่านบอกว่าพูดกันได้อย่างนี้นะนะฉะนั้นท่านก็เลยเข่งหน่อยไปที่นั้นท่านก็ไม่ให้ได้ไม่ให้ไอ้เราเข้าไปเนาะว่ากินข้าวมือเดียวเราก็เตรียมอินซัวแหละคนที่เป็นโรคเยอะอินซัวไปด้วยโอ้ยกินข้าวมือเดียวไม่เป็นไรเรามีอินซัวโอ้โหยเอาไปแล้วท่านก็ไม่ให้เอาเข้าในกุฏิอีกละ่ะเก็บหมดเก็บหมดยายาที่เราถือไปโอ้บางครั้งแอดลิสถ้าเป็นอะไรไปเราจะมีแอดแวร์เพราะได้เปิดเนาะ กดหมดเอาออกหมดเลยถ้ามันจะตายก็ให้มันตายท่านว่าอย่างนี้ลู่ถึงขนาดนี้แล้วยังกลัวเหรออุ้ย <c oughs> ทำไมถึงขนาดนี้แล้วจะเราจะทำยังไงล่ะได้ไปล้วก็โอเคเออท่านพูดมันก็ถูกถ้าตายได้ก็ดีละท่านบอกว่าจะเอาผ้าสบงคุ้มโลงให้ดอกล <c oughs> าวอย่างนี้เลยภาษาลาว ส, สัใส่เลยนะท่านบอกว่ามันตายอยู่ในสนามปฏิบัติดีกว่าไปตายอยู่ที่ อ, อะไรท่านก็พูดของท่านไปแล้วเขาโอ้จริงท่านว่าบุญนะเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยอุบาสิกานิตตาเลยได้เอาพาสบงปกลงนี่มันดีที่สุดท่านว่าไงโอ้ยมันมีกำลังใจเออท่านกับมาปฏิบัติกับท่านไอ้เรามันทนทุกทรมานจริงๆนะไอกระเพาะนะ่ก็หายใจไม่ออกแต่มันใจมันสู้ก mm hmm. ็คิดว่าไปได้จะไ้ได้เก็บอารมณ์ จะเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ให้เก็บอารมณ์เลยนะท่านจะดูก่อนคนไหนยังนั่งง่วงนั่งงกไม่ให้เข้าเลยละ่ะหลังจากนั้นเนาะไอเราที่ตื่นตีสองปกติท่านจะตีละครังตีสามให้ลุกไปไอรวมกันเรานอนไม่ได้เพราะเวทนามันปุกมันปวดท้องแล้วก็หายใจไม่อิม่มแต่ลุกขึ้นมานั่งหายใจเออเราจะทำยังไงตื่นขึ้นมาตีสองไปดื่มน้าปัสสาวะ เราดื่มอยู่แล้วแต่เราดื่มน้อยอยู่ที่อเมริกานะ่ะแต่ไปที่นั่นอะมันไม่มีอะไรที่จะทําน้นํานี่เราก็จะไปดื่มน้ําที่น้ําฝนนะนะเท่าที่นู่นท่านจะตวงน้ําฝนไว้จะกินน้ําร้อนเหมือนอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ไม่มีน้ําร้อนอีกเออท่านก็จะพูดของท่านนั่นแหละเออผู้ ด, ดีตีนแดงน้งําตะแคงเดินดีโอ้ยท่านก็พูดสารพัดไอ้เราก็โอ้ยนั่งยกมือดีกว่าเออคนมาแต่เมืองนอกนี่มันอย่างง่นมันอย่างงี้ โอ้โห ôi, ถ้าไม่มีไม่มีไม่เข้าใจระดับหนึ่งนะไปแล้วหลายคนหลวงพ่อเอาไปนี่เปิดเฉยเขาเราะเรียกแท็กซี่เอากลับบ้านไปละเข้าคอร์สไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีความเข้าใจไอ้ตรงนี้นะแต่ก็โชคดีด้วยความที่ว่าเราเป็นนักพิสูจนจริงๆแล้วก็เราก็เข้าใจระดับหนึแล้วเขาผ่านได้ตีสองลุกขึ้นมาเดินกินน้านําปัสสาวะแล้วก็เดินใต้ตะเกียงมันมีแบบคือบ้านเราเทียนใหญ่ลึก อ, อะไรเนี่ยนะท่านจะให้ตังไว้แต่ จุดนั้นจุดนี้อยู่ในกุติกุติของท่านนี่น่ะนอนอยู่อย่างนี้ในในกุติของเราเนี่ยท่านเดินนี่ท่านยังเหลียวเห็นเราเลยไปเก็บอารมณ์นะไอเรากลัวเนาะที่แรกเนาะไปใหม่โอ้ยจะโตหมดโตแม่งะตะขาบตะเขอบโอ้ยมดเยอะมากแต่สู้แหล ะ, ะท่านอยู่ได้เราก็อยู่ได้ก็อยู่รอดไปได้ท่านก็บอกว่ามาอีกตื่นเช้ามาไหว้พระท่านเห็นเราตื่นตีสองตีสองได้ โยมสมพรเก็บอารมณ์ด้วยหล ะ, ะไปสี่คนได้เก็บคนเดียวคือแม่สมพรคนเดียวในธรรมก็ตัวสติตัวนี้ก็พัฒนาแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็รู้กายรู้ใจยามันหลุดออกไปไม่รู้เลยตั้งแต่ท่านเก็บไวนะ้นะ่ะนะไม่ได้ใช้ยาไม่ได้อะไรน้ำปัสสาวะลูกเดียวหิวมาไม่ต้องดื่มเลยน้ำออกไปเอากลับคืนออกไปเอากลับคืนเออมหัศจรรย์จริงๆอะ่ะ อยู่รอดปลอดภัยได้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้มันน่อยโพดทั้งล้างหน้าใส่ตาใส่หูยอดเข้าไปผมพัง <c oughs> อยู่รอดจริงๆหลังจากนั้นก็ออกยาทั้งหมดเลยออกทั้งหมดยาอะไรก็ไม่มีละไอ้ที่โรคหลายๆโรคโลกกระเพาะอาหารก็ไม่รู้มันมันมันหายได้ยังไงไม่รู้กลับมาไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปอะไรทานได้สารพัดร้อนเย็นก็ทานได้ตอนนี้เมื่อก่อนนี้ จืดเท่าไหร่ก็ยังเจ็บก็ยังโอ้ยตอนนี้เออมันอยู่ที่ใจจริงๆนะฝึกตัวนี้ใจเราจะเข้มแข็งใจจะรู้ตื่นเบิกบานแยกกายแยกใจบางครั้งมันมีอาการแต่มันก็เพียงแค่อาการมันไม่มีเข้ามาถึงในใจของเราเลยฉะนั้นว่าตัวนี้เนี่ยบอกว่าเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรับผิดชอบดีที่สุดไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเออ แต่อยากให้พี่น้องเราทำให้ด้วยความรักและความตั้งใจจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นชีวิตของเราจริงๆนะตัวรู้สึกตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้นะอยู่ได้แต่จะอยู่ด้วยความหลงมากและความความไม่รู้เยอะเนาะภาษาไทยนี่ก็ต้องได้คิดก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภูมิใจที่ลูกทั้งสามนี่เข้มแข็งมาก มาเจอที่ทำงานนี่นะเอ๊ะไปฝึกกับเราก็สามสี่ครั้งแค่นั้นเองทำไมเขาเปลี่ยนแปลงได้เยอะก็เพราะเขาตั้งใจจริงๆเวลาเราสกิดทีไรก็ได้ผลแต่ละครั้งอย่าทำเล่นนะลูกตั้งใจจริงๆนะตัวนี้คือตัวชีวิตจิตใจของเราต้องทำจริงๆก็มาเห็นการเก็บป่วยของลูกมุลก็ก็เอาชีวิตรอดมาได้อย่างนี้ก็มันต้องเข้มแข็งในใจละถ้าไม่เข้มแข็งนี้ไม่รอดแน่ อุ้มก็หนักแน่นมากเปลี่ยนแปลงมากภูมิใจมากเล็กก็เหมือนกันเล็กก็ไปหลายครั้งเนาะ mm. ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่จะมีหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยโทรหากันสกิดกันมันก็เป็นตามลําดับเรื่องการปฏิบัติแก่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเรื่องประสบการณ์เรื่องการทําดีทอล์กเรื่องการดื่มน้าปัสสาวะ อันนี้เราคุยกันทางนอกได้ไหมถ้าสมมุติว่าอยากรู้ตอนนี้ก็พูดได้เพราะว่าดีท็อกนี้จะช่วยทําไมต้องเอาน้าปัสสาวะน้ำปัสสาวะของเรานี่ถ้าเป็นหมอจะพูดถึงเรื่องวัคซีนจะพอจะเข้าใจเนาะคุณพิตาวัคซีนนี้มันจะเป็นแบบว่าเห็นไหมเราเป็นโรคอ่าถ้าสมมุติว่าไข้หวัดอย่างนี้เขาจะไปเอาเสื้อของไข้หวัดมาสีดให้เราก่อนใช่ไหมทื่มาเข้าปลูกในตัวของเราน้ำปัสสาวะนี่ก็เหมือนกัน เขาจะเป็นวัคซีนให้เราเลยเวลาเราฉี่ออกไปแล้วเราดื่มเข้ามาแล้วตัวของน้ําปัสสาวะเรามันจะมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีใช่ไหมเวลามันกลับคืนไปอันนี้พูดตามหลักของหมอเขียวเขาพูดเราก็เอาคําหมอเขียวมาพูดแต่เราคิดว่ามันได้ผลมันก็เป็นเรื่องจริงเวลามันเราดื่มเข้าไปแล้วไอ้ตัวที่มันมีตัวดีทั้งตัวไม่ดีนะมันก็จะรู้ปุ๊บเวลาเราดื่มปุ๊บเข้าไปเอ๊ะมันเพิ่งออกไปมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะมันเกืจะรีบทํางานกินเลย กินตัวตัวเม็ดเลือดขาวนะนะเขาจะทํางานเลยกินสิ่งที่แปลปลอมที่เข้ามานี่แหละคือพาให้เม็ดเลือดขาวเราขยายตัวเร็วเม็ดเลือดขาวนี่มันจะกินแต่สิ่งที่เป็นตัวอ่าไม่ดีเอ่อฉะนั้นแหละที่มันพาให้เราแข็งแรงได้ไวเร็วเพราะว่าตัวเม็ดเลือดขาวเขาทํางานเร็วมากอันนี้หมอเขียวเขาบอกว่าถ้าเราทําได้ตามสูตรเขาจริงๆตื่นตีสามนี้ปอดเราทํางานละเขาอยากให้ เลยดาวอยู่ก็ได้เขาเขาทำให้ดูเลยนะเขาจะมีเวลาท่านมานี้ให้มีโอกาสไปดูสักวันก็ยังดีเขาจะนอนฉี่เลยผู้ชายเนาะทำก็ง่ายฉี่แล้วเขาจะดื่มตะแคงดื่มแล้วเขาก็จะนอนหงายใส่ตาใส่หูใส่อะไรเขาจะนอนพักสักสักพักหนึ่งให้น้ำนี้เข้าไปทั้งหมดเลยเขาก็จะล้างหนะ้าล้างตาของเขาด้วยน้ำปัสสาวะของเขานั่นแหละใส่ผมใส่ผางเรียบร้อย แล้วไม่มีใครว่าเหม็นเหม็นหมอเขียวทุกคนไปหาหมอเขียวกันทั้งนั้นเลยกลัวาตายโรคมะเร็งเ <c oughs> พราะเขาป่วยโรคมะเร็งจริงๆห <c oughs> ลังจากนั้นแล้วก็ <c oughs> เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องถ้าเรามีตัวรู้นี่นะให้เขาเข้มแข็งจริงๆตัวรู้ตัวนี้เราจะถ้ามันเข้มแข็งแล้วเราจะเรียกเป็นตัวรู้พร้อมหรือตัวปัญญาหรือตัวปัญญาญาณก็ได้ตัวนี้ถ้าสมมติรูคมรู้ของเราแบบ สัรชาตยานนี้นะเราก็มีความรู้ระดับนี้สิ่งที่เราชอบนี่เราจะตัดไม่ได้หรอกเห็นแล้วมันก็คิดว่ามันไม่ดีแต่มันต้องเอาซะ ก, ก่อนละเพราะมันอยากจะตัดไม่ได้ถ้าตัวนี้ถ้าเขาเป็นญาณรู้จริงๆนะเขาจะรู้ว่าโอ้อันนี้ควรหรือไม่ควรอันนีม้มันจะเป็นเป็นโทษนะถ้ากินลงไปเนี่ยเราก็เราก็จะตัดได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของของที่ว่าความรู้นี่จริงๆแล้วก็ จะตัดสินอะไรก็มีเหตุมีผลแล้วก็จะแหลมคมมากแล้วก็จะรู้เป็นเป็นปัญญาที่ที่แหลมคมคมมากสิ่งไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำเขาก็จะรู้ก่อนพูดอันนี้ส่งของควรรู้ตัวนี้นะให้ให้ให้มีศรัทธาในการที่ว่าหลวงพ่อได้เอามาให้แล้วมเมล็ดแล้วก็ท่านก็พยายามปลูกงอกมาวันหนึ่งบางคนก็จะแตกละบางคนก็อาจจะแตก แตกลากแตกอะไรมาละแต่เอาไปปลูกเลยที่บ้านก็พยายามก็คงจะจำกันได้ละตัวนี้แหละถ้าเขาเติบโตขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะจะเป็นความรู้พร้อมหรือตัวปัญญาหรือปัญญาญาจะแก้ไขในชีวิตทั้งชีวิตเลยจะมีทุกแต่ใจไม่ทุกแต่ร่างกายนี้มันทุกข์อยู่แล้วแหละนั่งนานๆ น, น, น, น, นี่มันกระทุกแล้วแต่เขาจะไม่ไปยึดไอ้เรื่องของกายเขาจะอยู่เนือ เขาา่งน้ปัสสาวะหน่อยนะคะค่ะอ่ถ้าเผื่อเราทานอิพิั่นมิซินเ่ยอะเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่างเช่นยาอหลายๆอย่างของโลกโอเคที่เป็นคำถามที่ดีเนาะเพราะทุกคนอยู่ในนี่น้อยคนที่จะไม่ได้ทานยาเนาะเราจะเปรียบเสมือนว่าน้ามะพร้าวเนาะที่ต้นเรามีกกมะพร้าวนะมะพร้าวบานเขาอะเขาจะเรียกอะไรต้นเ้า มันจะดึงดูดเอาน้ําข้างล่างน่ะ น, นะบางที่มันจะอยู่ใกล้ที่ไอสุกปกหน่อยในน้ําสีน้ําอย่างบ้าลเราเนาะจะเรียกว่าเป็นน้ําที่สุกปกที่น้ําเลยมันก็จะดึงดูดขึ้นไปไปเลี้ยงทั้งต้นมาแล้วบัดเวลาเรามากินน้ํามันทําไมมันหวานละ่ะคือมันกันกองในตัวอันนี้เราก็เหมือนกันสามสิบสองอแกนเราเนี่ยนะมันจะทํางานของมันเองกันกองเข้าไป ตรงนั้นดีมากแต่มันจะมีรสให้เรารู้เมื่อสมมุติว่านานตามนานที่เรากินเนี่ยนะกินเค็มกินรสขมรสจืดรสอะไรเนี่ยมันจะบ่งบอกมาให้เรารู้อยู่แต่เรามีสติตัวนี้แล้วเราจะแก้ไขถ้าเรารู้ว่ามันเค็มปุ๊บไปเราทํางานเยอะละมันสกัดไม่ไหวละใช่ไหมเราก็ต้องได้ช่วยนี่เป็นเป็นตัวยาที่จะเป็นตัวสติที่จะเตือนให้เราปรับปรุงแก้ไขเราเองได้ ถ้าเรายังประมาทอยู่เดี๋ยวมันลดใหม่มันก็จะมาอีกแล้วส้มเอ้ยหวานเอ้ยอะไรมันจะออกมาให้เราซีมนิดนิดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็ต้องแก้ไขถ้าเราไม่มีตัวรู้ตัวนี้ก็แก่ยากนะเพราะความอยากเหล่านี้มันจะสู้มันไม่ได้ฉะนั้นตัวนี้แหละที่จะพาให้เราตัดไอ้ที่ว่าไอไอดีมนไม่ดีหรือไม่เอาเนี่ยตัวนี้มันดีและตัวนี้มันดีมันจะแยกแยะของมันเองแล้วเราก็จะอยู่รอดปลอดภัย โดยที่พึ่งตัวเองละ่ะหลังจากที่เรามีตัวนี้เราจะพึ่งตัวเองให้ได้ไม่มีปัญหาน้องตอนที่ดื่มปัสสาวะเนี่ยยาอะไรที่มันจะสูงสุดโทวแอดแวล์ล uh ่ะอ่าฮะหมอเขาบอกว่า ส, สีดปุ๊บไม่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้วิธีที่จะสูบเข้าไปนะนะมันก็จะปากนี่เปื่อยหมดละ่ะเขาจะสอนวิธีทั้งหมดเลยสูบเข้าไปปุ๊บต้องไปล้างปากแปรงฟันก็แสดงว่า มัน very strong chemical อ, อมัน very strong แหละแต่ว่าเราก็ไม่ใส่ตรงนั้นก็ไม่ได้ละ่ะถอมันไม่เปิดมันก็จะตายอยู่ดีหเห็นไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่โรคนี้มันหายก็ความเข้มแข็งของจิตใจแล้วก็มันกล้าเด็ดเดียววะอันนี้มันผิดนะหมอเขาจะแนะนำเราหรอกพราสมมติว่าโรคหืดนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องอไอ้น้ำมันเนาะ เออเพราะว่าลมหายใจถั่วลมหายใจไม่ให้กินไข่เดอ้อบอกให้กินของมันเดอ้อบอกกินทอดบอกินอะไรหลายๆอย่างถ้าสมมติไม่มีตัวนี้เราก็ตัดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เออโรคกระเพาะนี่ก็ไม่กินอันนี้นะห้ามอันนี้นะมันก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไข ข, ของเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการกินละแต่สมมุติเราไม่มีความเข้มแข็งในตรงนี้เราก็ตัดยานี่แหละมันมันดีทั้งหมดเลยนะที่การเจริญสตินี่ดีก็ คิดว่าเป็นโชคดีของวัดป่าซิกาโกนะที่ได้รู้ตัวใหม่ๆขึ้นมาว่าเออตัวที่จะลำเลียงให้เราไปถึงตัวปัญญาหรือปัญญาญานี้ก็ต่อเนื่องมาจากความรู้สึกตัวหรือตัวสติหรือสติสัมปัญญะเราอาจจะได้ยินแต่ได้ยินน้อยมากบางท่านก็จะพูดรวมๆไปไม่ได้จี้ถึงต้นต่อของการที่จะเกิดตัวสติหรือตัวปัญญาแต่บางครั้งอาจจะพูด เยอะอยู่แต่ไม่ได้มีคนพาทำพาเราทำแบบแบบที่หลวงพ่อที่พาทำเคยเห็นไหมไก่ลืบไก่ลืบเป็กที่ไข่แล้วเขาจะฟักไข่หลวงพ่อจะทำอย่างนั้นเลยไม่ปล่อยไม่ทิ้งเนี่ยค่อยกล้าการันตีได้ว่าคอร์สหนึ่งถ้าเจดวันถ้าไม่รู้อะไรนี่ไม่ต้องพูดกันเลยหลวงพ่อเทียนเอาคอประกันเลยเรื่องนี้มีเงินเดือนสามพันท่านก็บอกว่าถ้าสามเดือนท่านก็เสียให้สามพัน ถ้าไม่รู้จริงอะ่ะแต่ต้องเป็นคนจริงนะท่านบอกว่าถ้าจริงละถึงไหนก็ถึงกันมันกล้าท้าทายกล้าพิสูจน์ได้แม่สมพรนี่ก็อยา ก, เ, กยเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งขออนุญาตหลวงพ่อบอกให้ตำส้มเดี๋ยวจะเอาก๋วยเตี๋ยวให้กินเลย <laughs> <laughs> จะได้อร่อยเ <laughs> พราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะว่าเคยทำพุทธโถมีพ่อบุญธรรม ท่านก็เคลื่อนไหวเมื่อก่อนแต่มาที่นี่คนลับไม่ได้ก็เลยเลยตามเลยก็เอาตามโยมแล้วโยมก็ลากลงหละตอนนี้มานั่งลับตาลับตากับท่านเจ็ดปีแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีแต่ขูมต่อเนื่องของเราไม่ได้เพราะเราทำงานเหนื่อยกลับมาพักผ่อนสองชั่วโมงยังไม่ถึงสองชั่วโมงมันหลับแล้วตั้งแต่30นาทีอะ แต่เรามันมีทุกข์มากต้องบืบว่าเราทุกข์มากต้องพยายามสองชั่วโมงนี้ได้แต่ก็ได้แค่นั้นหลังจากนั้นไม่รู้วิธีละไปทำงานกลับมามาเอาอีกสองชั่วโมงและความต่อเนื่องไม่มีเจ็ดปีนั่นนะ่ะแล้วอะไรจะเกิดตัวสติตัวนี้ถ้าไม่ต่อเนื่องเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นสติปฐานไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสติปฐานสี่ ต้องจเจริญสติตัวสันสัตยานของเรานี้ให้เติบโตให้เป็นสติปฐานให้ได้ฐานคือใหญ่ฐานคือใหญ่มันใหญ่เติบโตแล้วเอามาดูกายดูกายทั้งสี่กายเคลื่อนกายกายนั่งกายนอนกายยืนกายเดินเห็นไหมแต่เราเดเราดูแต่เราเอาสติตัวที่เรามีเดิมเดิมเราดูมันก็เลยเป็นตามตามความมัน พาเราเป็นมันอยากนอนแล้วก็ไปนอนมันอยากกินแล้วก็ไปกินบางครั้งมันไม่อยากแล้วก็ไปหาแนวกินมันเบื่อตรงนี้มันก็ไปทําตรงนี้ใช่ไหมบางทีมันเอ่อมันเลยไม่เลยไม่รู้ทุกหะเห็นไหมหลวงพ่อพามานั่งตรงนี้เรารู้แล้วว่าทุกเห็นไหมนั่งแป๊บเดียวก็ทุกละแต่ใจมันอยากไปอยากมันทะลุทะลนุนี่แหละแต่ท่านให้ฝืนพระพุทธเจ้าบอกว่าทวนกระแสใช่ไหม เ, เห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราก็มาทวนกันเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราเห็นทุกข์หรือยังเนี่ยทุกข์นะใช่ไหมแต่เราก็มีสติเข้าไปแก้ไขอ่าทําไปเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นปเปา ะ, เ, ปปะเหมือนหลวงพ่อพูดเนี่ยแหละกำหนดรู้บ่อยๆทำก็ให้ชัดเจนบ่อยๆหลงกลับมาใหม่ทําใหม่อ่าแล้วก็จะมีเทคนิคของใครของมันที่แก้ไขกลมง่วงคื อ, ค, อคือลุกมวนว่านั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ก็ก้าท้าทายได้อีกแหละไอ้ตัวสติตัวนี้เนี่ยทำแล้วเจ็ดปีไม่รู้ไม่ไม่มีคำตอบบอกว่าจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่อยากจะพูดคือมันไม่ต่อเนื่องของเราเองมันไม่เอือ้อนั่งแล้วก็หลับแต่มาเคลื่อนไหวมาหาหลวงพ่อได้เห็นหลวงพ่อสอนว่าเจ้าอินทรีย์อ่อน อินรียไปว่าอะไรหลวงพ่อโอ้อินรียก็คือครัวมันไม่เข้มแข็งคือเอมันมีอะไรหลายๆท่านก็พูดแหะไม่รู้เลยอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นเลยภาษาไทยท่านก็พูดท่านก็บอกว่าเอามาเคลื่อนไหวลองดูท่านก็สอนให้ยี้เอมันเคลื่อนก็รู้นะมันหยุดก็รู้นะขี้เกียจก็ทํานะเอขยันก็ทํานะมันไม่รู้ก็ให้รู้มันนะทําแค่นี้เองแต่ให้มันผ่านนิวรณ์นี่ให้ได้และ มันจะเป็นไปของมันเองแต่แม่สมพรเป็นคนจริงเวลารับอย่างนั้นก็ทําตามท่านจริงๆทําด้วยความเพียรความคารพนอกน้อมจริงๆเพราะวันแรกไปขอเป็นลูกศิษย์ท่านเลยเ อ, อด้วยความศรัทธาความอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะตัวเองมันมีทุกข์มากทํามาเจ็ดปียังเอาทุกข์ออกจากใจไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่า เราอาจจะทำไม่ต่อเนื่องหรือว่าอาจจะเราไม่แข็งแรงเราก็ยังสุขภาพไม่ค่อยจะดีเราจะไปนั่งอย่างนั้นมันก็พลอยแต่หลับตหลับแล้วตัวสตินี่มันไม่เติบไม่โตไม่ใหญ่แล้วมันจะไปรู้ตื่นเบิกบานได้ยังไงเวลานั่งมันเหนื่อยแล้วก็หลับตัวที่จะเป็นพุทโทเหมือนที่เราบริกรรมเนาะมันต้องตื่นรู้คณะหนึ่งคณะหนึ่งที่เราตื่นรู้เนี่ยเคลื่อนรู้หยุดรู้นี่มันจะเติบโต แล้วมันจะใหญ่ตั้งมั่นเข้ามาดูข้างในเลยเมื่อก่อนมันดูแต่มันดูเข้าไปข้างนอกคนนี้ว่าเราคนนี้เป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันแ่งออกไปข้างนอกแต่ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันจะเข้ามาข้างในเลยจะดูข้างในว่าโอเห็นวันนี้มีใครนะอคุณพี่คนนี้เขาบอกว่าโอ้ยเห็นตัวเองไม่ดีเลย โอ้โหโมทนาสาธุคนเรามีสติระดับหนึ่งแล้วที่เห็นความไม่ดีของตัวเองและกล้าพูดให้คนอื่นฟัง อ, ะอ่ะอะลองดูซิถ้าคนเรายังไม่มีสติระดับหนึ่งและยังเนี่ยยังมีความอายนะยังมีความคือมีตัวมีตนมีทิตฐินั่นแหละไม่กล้าพูดหรอกความไม่ดีของตัวเองคุณพี่ดีใจนะโมทนาสาธุเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเห็นตัวเองกล้าพูดว่าอ๋อเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเองเลย อันนี้แม่สมพรบอกว่าเป็นทางที่ดีแล้วเลิะรีบจะเรียกอะไรรีบจเจริญสติเถอะเนี่ยตัวนี้แหละจะเข้าไปดูข้างในข้างในไปดูอะไรละ่ะดูการกระทำของเราการนึกการคิดการพูดการรายการทุกอย่างเลยจะเข้าไปดูแล้วมันเติบโตขึ้นมาร ะ, ระดับหนึ่งที่เราเรียกว่ารู้พร้อมเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยเออพูดไม่ดีนะมีสติปุ๊บเปลี่ยนแปลง บางครั้งเราไม่ผิดหรอกกราบเลยโอ้ยคอยขอโทษเด้อคอยเวา้าวพิษไปแล้วเนี่ยเรายัางรู้ว่าเราไม่ผิดเรามีสตินะแต่มันอ่อนลงได้มันยอมได้กราบท้าวสามีได้อะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราเองเราแก้คนอื่นไม่ได้แต่ตัวสติหรือตัวรู้พร้อมตัวนี้หรือตัวปัญญายาันตัวนี้ที่เราบมขึ้นมาเนี่ย เขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราเองไม่ได้ไปแก้คนอื่นแล้วเราก็จะเป็นผู้ทำให้ดูเป็นผู้อยู่ให้เห็นเป็นผู้เย็นให้เขาสัมผัสได้ถ้าไม่เย็นให้เขาสัมผัสได้เอาทหารมาที่นี่ไม่ได้นะี่นายทหารคนนี้ตามนำเนี่ยนี่นี่คือตัวอย่าง <c oughs> นี่คือ <c oughs> เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมาสิสบกว่าปีละหลังจากเข้าใจทำแล้วก็ช่วย ลางานตั้งแต่อายุ40 47ปีออกมาช่วยหลวงพอ่อไม่มีอินคำแต่อยู่สบายเพราะว่าเรารู้รู้หยุดรู้พอชิตังเบตัวเองได้ก็มาทางานสิ่ง น, นี้17ปีแล้วที่ทาช่วยหลวงพอ่อ<า>เดินสายลูกๆทุกคนนี่รู้หมดแต่มาที่นี่ได้ก็ลูกทั้งสามนี่แหละเอามาเพราะว่าทุกอย่างก็ลูกเขาช่วย เขาได้มาตรงนี้ก็เป็นบุญของอพี่น้องวัตตาชิคาโกนะที่ลุกอุ้มลูกเล็กลูกมนมีแรงศรัทธาที่ทำไอ้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะจุดใหญ่คนเราจะทำเรื่องบุญนเยอะแต่ทำเรื่องวิปัสสนานี้จะน้อยมากแต่ก็ต้องเห็นอะไรดีดในตัวตัวเองแหละค่อยกล้าทำกล้าสู้ทนได้เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาเสียทั้ง ปัจจุปัจจัยอะไรทุกอย่างนั่นแหละก็กล้าเสียสละมันจะใหญ่ที่สุดเลยตัวรู้พร้อมตัวนี้เขาไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขละเสียสละมากแล้วก็เมตตานี่ก็เมตตาแบบแบบพรมวิหารสีจริงๆนะถ้ามีตัวนี้จริงๆนะเขาจะเป็นเป็นเองแล้วกล้ากล้าตัดสินใจสิ่งใหนที่ว่าควรทาก่อนทาหลังจริงๆเลยก็มี้า อโมี <Okay. S 1> อะไรที่มันแตกตาก่างกับการขยับแบบอื่น <c oughs> ไม่มีอะไรแตกหรอกแต่ว่าเวลาเราเคลื่อนไหวอย่างอื่นนะนะก็คือเราเคยเคลื่อนมาตั้งแต่เล็กจนโตแ ล, ล้เรารู้สึกทุกครั้งไหมละ่ะเราได้คืออยู่บ้านแต่ละวันเวลาเดินไปห้องน้ํามีความรู้สึกตัวไหมละ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราเราเคลื่อนไหวในในขนาดจะจะพูดยังไงก็ได้อันนี้จะขยับยังไงก็ให้มีความรู้สึกตัวโอเคถ้ารู้สึกตัวแล้วก็มีสติแล้ว ถ้าสติตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งมันก็เผออยู่ดีนั่นแหละเออถ้าเผยไปก็ขาดสติละถ้าเวลาเรารู้สึกตัวมันก็ไม่เผอละมันก็ตัวเดียวกันแล้วแต่เราจะเรียกแต่ว่าถามว่าเราจะาทาอย่างอื่นได้ไหมได้แต่ว่าถ้าไม่มีรูปแบบก็คือเราทำมาแต่เล็กจนโตละเราเดินเข้าห้องน้ำบางครั้งรู้สึกก็จะน้อยไปเราทาครัวบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราทาครัวเราก็ทา กับข้าวมาตั้งแต่เล็กจนโตจนเก่งละกินก็มีความรู้สึกว่าเราเคี้ยวอยู่แต่ทําไมสติปัญญาตัวนั้นมันยังไม่เกิดล่ะทําไมยังมีคําถามอยู่ล่ะถ้าเรายังมีคําถามก็แสดงว่าสติตัวนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปัญญายานะนั้นที่เราลําเลียงตัวนี้ที่ให้มีรูปแบบก็เหมือนที่เราไปนั่งดูดูจิตถ้าสมมุติว่าดูจิตที่อาจารย์ของที่จะว่ า, าน้องว่าอ า, อาจารย์ประโมทใช่ไหมเป็นลูกศิษย์ของท่านสมมุติว่าท่านบอกว่าให้ดูจิต แล้วเราไม่มีตัวสติตัวนี้อย่างเข้มแข็งเราจะตามจิตดูจิตได้ไหมหนิดหนึงว่าเวลาเราสร้างบ้านสี่ชั้นนี่นะถ้าทั้งบ้านสี่ชั้นเนี่ยไม่มีบันไดเลยเนี่ยจะขึ้นทั้งสี่ชั้นได้ไหมเพราะ อ, อะไรมันก็ต้องมีพื้นฐานซึ่งสเต e two t ต้องมีบันไดนะชั้นใดก็ดีการเคลื่อนไหวเป็นระบบเนี่ยเหมือนการสร้างบันได หลวงพ่อสร้างวัดขึ้นเขาท้าหลวงพ่อไปทําถนนขึ้นขึ้นทางใดก็ได้นะตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ทําถนนขึ้นขึ้นยากนะเอ อ, เ อ, อต้องทำบันไดขึ้นแต่คุณยิ่งไม่ต้องมีบันไดก็ได้ขึ้นได้แต่ถามว่าขึ้นขึ้นง่ายไหม <c oughs> ชันใดก็เช่นนั้น <c oughs> แต่อาจารย์บระโมเนี่ยท่านฝึกหลวงพ่อเทีย น, นเป็นคั้นหักแต่ท่านตอนเป็นพระเนี่ยท่านไปฝึกหลวงพดุลหลวงปู่ดุลใช่ไหม <c oughs> ท่านก็มาพูดส่วนใหญ่ในชนี้แต่ท่านไปเห็นรูปน้ำทั้งแต่ผ่าน หลวพ่อเทียนแต่ท่านไม่ได้พูดตอนนั้นนี่แต่ท่านก็ยังยกย่องหลวพ่อเทียนอยู่นะแต่พวกเรามาเรียนก็หลวพ่อผมหมดแต่ว่าไม่ได้ผ่านแบบของท่านมาก่อนแล้วก็มาเอายอดนะมันก็เลยยากไงเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาแก้ดูกระทมาว่าไปดูจิตที่มันจิตของเรามันใหญ่มากเหมือนกับเรากรงร้อยใหญ่ๆล้วเข้าไปใกล้มันดูเข้าไปเลยอะจิตก็ดูสติเข้าไปเลยสติตั้งไม่ทันเพราะฉะนั้นเรามาพัฒนากับการขึ้นไหวให้สติมีที่ตั้งก่อนอเหมือนกับเราจะอะ ขําน้ําเนี่ยถ้าเรามาอาศัยฝั่งนะไปสู่กระแสเนี่ย น, น้ำพัดไปเลย <S <S <S 2> <S 2> แต่เพราะมันมีฝั่งเกาะพ้นเพราะฉะนั้นเองอาการดูจิตกันออกมาข้อสมัยที่หลวงพ่อเทียนนำสื่องแรกท่านจะพูดดูจิตดูจิตประจําำเราก็ไปหลงไปดูจิตแต่หารู้ไม่กว่าท่านจะมาดูจิตได้ท่านทําการเคลื่อนไหวมาตลอดไม่รู้กี่สิบปีนะเอามาก็เลยมาตั้งต้นใหม่เลยเรื่องดูจิตเก็บไว้มาตั้ง พอไม่นานพอตั้งสติกับการขานกายได้ปั๊บไปดูจิตก็ง่ายอันนี้คือว่าพอไหลจะวิธีทําไงก็ได้แต่ว่าไม่ใช่กลัวเผอไม่ใช่กลัวเพลินแต่ว่าต้องการสั่งสมพลังตัวรู้เพราะเราตัวรู้เข้มแข็งเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาแต่ตัวที่จะไปดูจิตได้คือตัวปัญญาแต่สติม่ดูกายแต่ปัญญาไปดูจิตแตส่สติไปดูจิตเนี่ย ไม่พอสติต้องเปลี่ยนเป็นสมาธิปัญญาก่อนถึงจะไปดูนั้นได้นะอันนี้คือคำตอบแต่ว่าหลายคนวันนี้หลวงพ่อบอกว่าเรื่องสามทุมแต่เราไม่ได้พักตอนห้ามงหรือหกมงอนนั้นก็เราผ่านตรงนั้นก็ไม่ถึงสามทุ่มแนละ้ น, นันเอง ก, ก็ในที่นำเสนอมาวันนี้ก็ทั้งทั้งสามคนเราก็ยมสมพรด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าสําหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจถูกเราจะไปได้ไวมากสมัยก่อนนะมีพระอริยบุคคลที่เป็นชาวบ้านเน่ยมากกว่าพระนะสมัยขบุริการเป็นสกิธาการอาขาเนีมากกว่าพระพอเข้าไปแล้วพอจับหลักได้ปั๊บเนี่ยเอาไปทําทุกกิจกรรมเลยเพราะฉาวบ้านมีงานเยอะอีกแล้วใช่ไหมก็ใส่ตูดลุงไปทุกการเคลื่อนไหวไม่นานเข้าถึงสภาวะจิตของตัวเองก็มาอยู่กับกายกับใจด้วยกัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เราสงสัยเลยนั่นเองก็ใครรู้สึกว่าที่นี่ฮะขออนุญาตไม่ได้สงสัยค่ะแค่อยากจะทราบจริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่ามีเวลาเอามาเยาวคลิปของหมอผลบุตรพลบุญปีมโนธรรมนะแกพูดถึงจุดว่าทำไมต้องมาที่ขา ว่าหงพอเทียนคนพบเรื่องนี้ได้ไงแกบอกว่าแกมาเรียนท่านั้ไซโคดี่ิอยู่อเมริกาถึง13ปีแต่กลับไปไปเรียนหลวงพทเรียนทําไมหลวงพเทียนเกิดผมไม่รู้ว่าะงั้นถ้ารู้งี้ผมไม่ต้องมาเสียวเวลาที่อเมริกา <laughs> <laughs> <laughs> เพราแกไปรักษาพ่อคุณที่บ้านอุบัติบัติสมเด็จอะนะแกมาปฏิบัติแกอธิบายล ะ, ละเอียดมากเรื่องนี้นะพูดเป็นตอนนั้นงานที่งาน100ร้อยปีหลวพ่เรียนแกพูดเป็นเกือบสองชั่วโมงพูดเรื่องนี้พูดในเชิงาาภาษาหมอภาษาวิทยาศาสตร์ ก็ถ้ามีคิดวันนั้นแย่ให้ฟังถ้ามาอธิบายผมไม่ถูกอะเป็นภาษาซาแพทย์ก็เป็นจุดเกิดพลังหน้าขาหน้าท้องแล้วหน้าอกเวลาสร้างเยี่ยวดะมันมาแตะหน้าขาก่อนเนี่ยมาแตะหน้าท้องมาแตะหน้อกเหมือนกับไปปลุกพลังตื่นรู้เนี่ยให้ออกมาโดยธรรมชาติก็เลยว่าไอ้ธรรมเนียรต้องสร่างเยี่ยวดะคือมันมีในพระไตร ภ, ภ, ภาบาลีตรงที่ว่าอีบุตรสีแต่ของพระพุท e x t ที่พูดถึงอีบุตรย่อยบุตรย่อยว่าหนึ่งให้รู้การ เดินจุ่มกงือกลกับไปกลับมาสองให้รู้เกี่ยวกับการเดี่ยวซ้ายและขวาสามให้รู้การคู่เหยียดเคลื่อนไหวเพราะการคู่เหยียดเคลื่อนไหวพาะเทียนน้ำมาเรียบเรียงเป็นจังหวะอันนั้นเองที่มาในพระบาลีนะก็เลยมาตรงกันพอดีก็สี่ก็ไปรู้การ น, นุ่งห่มแต่งตัวให้รู้สึกตัวห้าเวลาเข้าห้องน้ำมือส้วมให้รู้สึกตัวหกเวลาเคี้ยวเวลากินให้รู้นี่อีบุตรย่อยนะเจ็ดเวลาไปเวลามาเวลาหลับเวลาตื่นเวลาพูดเวลานิ่งแม้กระทั่งนิ่งก็ต้องรู้ด้วยนะ ว่าขณะนี้เรานิ่งแต่ที่แล้วมาให้เราไม่ได้ฝึกสติเรานิ่งเราก็ไม่รู้หราแต่ให้รู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังนิ่งนะให้รู้ว่าเออตอนนี้กําลังคิดนะให้รู้ว่าตรงนี้กําลังทําอะไรอยู่เขาเรียกอิเดียบทยอยเพราะนั้นในวิธีการของพระเทีมาในบทที่สามของสัมยยปญญาปภะสัมมินชีเ ต, เตปาสาลิเตสัมวัชนาการิโหติคูเหยดเคลื่อนไวหวคูเหยตแล้วมาปรับเป็นจังหวะเท่านั้นเองนะก็รู้สึกเวลาเยอะแล้วเนาะ หลวงพ่อจะต้องไปนอนตอนไก็ขออวทานาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าได้นำสิ่งที่ดีๆมาเสนอตามหน้าที่เท่านั้นเองส่วนผู้รับจะรับหรือไม่รับนี่ก็เป็นเรื่องของผู้รับแต่มามีหน้าที่ให้ในฐานะที่ได้รับการเลี้ยงดูดูแลมาจากญาติโยมตลอดทั้ง แี่ว่าชีวิตก็ได้ได้บทเนนรนตั้งอายุสิจนถึงปัจจุบันหกสิบห้าเงี้ยก็อยู่กับพ่อหลวงมาตลอดเพราะว่าพบสิ่งนี้แล้วก็โอ้การบวชของเราไม่เป็นหมันละก็อยากจะให้เราทั้งหลายอย่าได้ละทิ้งสิ่งนี้ถึงจะทํายากก็ไหนต้องพยายามทำก็ขอให้ความตั้งใจนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้อ่าได้มีโอกาสได้เจริญสติอันนี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยการทุกคนทุกท่าน ที que ่